หอชนทั้งหลายพึงฟังธรรมของเราก็แลคันฟังแล้วจะพึงรู้ทั่วถึงธรรมก็คันรู้ทั่วถึงธรรมแล้วจะพึงปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นดังนี้ต้องคิดอย่างนี้ว่าธรรมนี่ดี6อย่างธรรมะของพระพุทธเจ้าดี6อย่างแล้วขอให้เขาทั้งหลายฟังธรรมแล้วก็ให้รู้หมดคือให้เกิดปัญญารู้แจ้งแทงตลอดหมดหม ด, หมดเลย ซอริยสัจสี่แล้วเมื่อรู้ทั่วแล้วก็จะได้ปฏิบัติเพื่อเป็นอย่างธรรมะนั้นคือเพื่อเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาเป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมานะเพราะว่าพระธรรมเราแสดงไปตรงนั้นจรงิงๆเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์จรงิงๆดังนี้อาศัยความที่พระธรรมเป็นธรรมอันดีจึงแสดงธรรมแก่ชนราวอื่นข้อที่หนึ่ง อาศัยว่าพิจารณาแล้วพระธรรมนี้ดีเป็นการให้ของที่ดีที่สุดไม่มีอะไรจะดีกว่านี้อีกแล้วในการให้แก่กันไดน้ที่มนุษย์ทั้งหลายจะพึงให้แก่กันให้พระธรรมเนดีที่สุดแล้วข้อที่สองอาศัยความกรุณาคือปรารถนาให้เขาพ้นทุกข์จึงแสดงธรรมแก่ชนหลาอื่นอาศัยความเอ็นดูเอ็นดูก็คือกรุณาเหมือนกันนะ จึงแสดงธรรมแก่ชนลาวอื่นอาศัยความอนุเคราะห์อันนี้ก็หมายถึงเมตตาและก็ความไม่หวงไม่ตะหนีเอาไว้จึงแสดงธรรมแก่ชนลาวอื่นด้วยประการชนนี้ดูความพิสูจนทั้งหลายธรรมเทศนาของภิกษุอย่างนี้แหลบริสุทธ์ต้องอาศัยปัญญาไปเห็นความดีของพระธรรมที่พระเจ้าแสดงไว้ก่อน แล้วก็อาศัยความกรุณาของเราอาศัยความเมตตาความเสียสละของเราแสดงอาศัยคุณธรรมทั้งนั้นแสดงไม่ได้หวังว่าให้เขามาเลื่อมใสเรามานิยมชม ช, มชอบยกย่องสรรเสริญเราแล้วค่อยไปแสดงธรรมนะอันนี้เราบริสุทธิ์ดูความพิสูจน์ทั้งหลายกัปสปะเป็นผู้มีความคิดอย่างนี้ย่อมแสดงธรรมแก่ชนลาวอื่นว่า หรือต้องคิดคิดคิดซะก่อนนะว่าพระธรรมอันพระบีรภาคเจ้าตัดไว้ดีแล้วในพระภักคตปะธรรมเป็นข้อปฏิบัติอันผู้บรรลุจะพึงเห็นเองแล้วก็ให้ผลในทันทีควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนจะพึงรู้เฉพาะตนโอหนอชนทั้งหลายพึงฟังธรรมของเราก็คั้นฟังแล้วจะพึงรู้ทั่วถึงธรรม ก็คันรู้ทั่วถึงธรรมแล้วจะพึงปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นดังนี้อาศัยความที่ทำเป็นธรรมอันดีจึงแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นอาศัยความการุณาจึงแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นอาศัยความเอ็นดูจึงแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นอาศัยความอนุเคราะห์จึงแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเราจะกล่าวสอนพวกเธอตามอย่างกัตสปะ หรือผู้ใดพึงเป็นเช่นกัศปะเราก็จะกล่าวสอนให้ประพฤติตามผู้นั้นก็แลพวกเธอได้รับโอวาทแล้วพึงปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นดังนี้จบจันทูปะมะสูตร อ, อันนี้คือยกตัวอย่างของว่ามาหากัศปะด้วยว่าท่านคิดอย่างนี้จึงแสดงธรรมเพราะฉะนั้นใครก็ตามเนี่ยมาทำอย่างพระมาหากัศปะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าก็จะสอนให้ประพฤติตามผู้นั้นด้วย ขอให้รับโอวาทแล้วก็ไปปฏิบัติอันนี้ต้องฝึกฝนนะเพราะว่าพระบางองค์ก็โอ้ยผมเทศไม่ได้หรอกทำไมอะผมกลัวอายโยมเขานะเดี๋ยวโยมก็จะหาว่าเทศไม่ถูกไม่ดีอ่านไม่ถูกอะไรอย่างนั้นต้องมาคิดเสียก่อนว่าเราให้ของดีเขานี่จะไปกลัวทำไมไปอายทำไม ของที่ผู้เผยพเจ้าตัดสรุปไว้ดีแล้วแสดงไว้ดีแล้วก็ต้องมีความคิดให้ให้ให้แยบคายขึ้นมาซะก่อนเพราะฉะนั้นความคิดเนี่ยสำคัญกรรมมันเนี่ยสำคัญคิดให้มัน pues ถ mm ูกวิธ nah, ีเนี่ยสำคัญก็คิดผิดวิธีแล้วโทษต่างๆก็จะมาเกิดแม้การแสดงธรรมเป็นของดีนั่นแหละแต่ว่าคิดผิดคิดแหววเขามาเลือมใสเราเข้ามานิยมยกย่องเรา นนิพสิตหมดท่าเลยทําเอาตัวเราไปดีกว่าพระธรรมนะคล้ายๆแบบว่ายกตัวเองให้เหนือกว่าพระธรรมคําคสอนแล้วก็ไม่ได้สงสารเขานะให้เขารู้ทั่วถึงธรรมก็เปล่าให้เขารู้ว่าเขาจะต้องมาลักมาเลื่อมใสเรานะให้คิดแค่เนี้ยว่าเขาฟังธรรมเลื่อมใสแล้วให้มาเลื่อมใสเรานะไม่ได้เขารู้ทั่วถึงธรรมเพื่อให้เขาปฏิบัติตามธรรมไม่ใช่เพื่อหวังประโยชน์ว่าให้เขามาเลื่อมใสเรา เนี่ยในความคิดอย่างนี้นี่ไม่บริสุทธิ์ทีนี้มีอัถกถ า, าคือคําอธิบายว่าจันทร์ทูประมาณเนี่ยหมายความเปรียบดังเช่นพระจันทร์อธิบายว่าเธอทั้งหลายจงเป็นเช่นดวงจันทร์โดยความเป็นปริมณฑลอย่างไรเป็นปริมณฑลเนี่ยคื อ, อ, อมีแสงไปโดยรอบนะนะอีกอย่างหนึงดวงจันทร์โคจรอยู่บนท้องฟ้า ไม่ทําความคุ้นเคยความเยื่อใหญ่ความรักใคร่ความปรารถนาหรือความพยายามกับใครหลวงจันทร์ไม่มายิ้มกับใครหรือไม่มาเออฉันเออคนนี้มันรู้สึกคุ้นๆหน้านะเออเรารักคนนี้เถอะนะมันไม่มีจิต จ, จะคิดอ่ะมันก็ไปตามเรื่องขึ้นทางตะวันตกหรือตะวันออกแล้วเอาแล้วไปไม่มีความปรารถนาว่าเออเราจะให้แสงแก่คนนี้มากเราจะพยายาม ให้แสงสว่างความสุขแก่คนนี้ไม่นะแต่ว่าดวงจันทร์นั้นจะไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของมหาชนก็หาไม่ได้คนทั้งหลายได้ชอบดวงจันทร์นะโดยเฉพาะจันทร์เต็มดวงฉันใดก็ดีแม้พวกเธอพวกเธอพิพภิกษุก็เป็นที่รักที่ชอบใจของชนเป็นอันมากเพราะไม่ทําความคุ้นเคยกับใครเป็นต้นนะคือ เมื่อเราเมื่อพระภิกษุเนี่ยไม่ทําความคุ้นเคยความเยื่อใยความรักใคร่ความปรารถนาความพยายามกับใครเนี่ยอย่าไปคิดว่าคนเขาจะเกลียดเรานะเขาก็จะชอบใจเหมือนกันอย่างนั้นแหละเหมือนกับที่เขาชอบใจพระจันทร์นั่นแหละคือพระภิกษุอาจจะคิดว่าเอ๊ะถ้าเราไม่ไปสนิทสนมคุ้นเคยไม่ไปแสดงอาการเยื่อใย ห, ห่วงใยรักใคร่ไม่ไปปรารถนาดีกับเขาไม่ไปไปขวนขวายทําให้เขารู้ว่าเรา สนใจดีใจกับเขาอะไรดีกับเขาเนี่ยเขาก็จะไม่รักไม่ชอบใจเราเพราะนั้นเราต้องไปทำอย่างนั้นอันนี้ไม่ต้องไปคิดนะเหมือนกับพระจันทร์นะเนี่ยพระจันทร์นี่ก็ไม่เคยมารักใครเยื่อใ่ใครแต่ว่าคนทั้งหลายรักพระจันทร์เพราะฉะ น, นั้นให้เป็นเหมือนดวงจันทร์เข้าไปสู่ตระกูลทั้งสี่คือตระกูลกษัตริย์เป็นต้นนะคนทั้งหลายก็จะรักใครเองจะเลื่อมใสเอง นหนดวงจันทร์กำจัดความมืดส่องแสงสว่างชั้นใดนะพวกเธอจงเป็นดวงจันทร์จงเป็นเหมือนดวงจันทร์คือกำจัดความมืดคือกิเลสนะก็เป็นดวงจันทร์ด้วยการทำปัญญาให้กำจัดกิเลสปัญญานี้ต้องหมายถึงเป็นปัญญามัชนะมัชคปัญญาและด้วยการส่องแสงสว่างคือปัญญาชั้นนั้น สองนั้นทาวางคือว่าแสดงสแสดงความจริงที่ปัญญาไปรู้แก่คนทั้งหลายเพราะปัญญาเนี่ยเหมือนแสงสว่างเปรียบเทียบว่าโลกมันมืดพระจันทร์ขึ้นมาแล้วคนดีใจโอ้เราได้เห็นสิ่งต่างๆเราได้ใช้ประโยชน์มีความสุขกับแสงสว่างของดวงจันทร์ชั้นใดก็ดีพระภิกษุทั้งหลายมีปัญญาแล้วก็แสดงธรรมว่าท่านทั้งหลายกรรมมีผลกรรมมี บุคคลทากรรมชั่วก็ได้รับผลชั่วอย่างนี้นะท่านทั้งหลายทานเป็นอย่างนี้ศีลเป็นอย่างนี้ภาวนาเป็นอย่างนี้วิปัสสนาเป็นอย่างนี้บอกเขาเขาก็จะแจมแจ้งโอ้เราควรทํากรรมดีอย่างนี้อย่างนี้เหมือนกับพระจันทร์ให้แสงสว่างให้ความสุขให้ประโยชน์แก่คนทั้งหลายคนทั้งหลายก็ก็เริ่อมใสรักใคร่ดีดใจนิยมชมชอบในพระจันทร์ชั้นใดก็ดีพระภิกษุไม่ต้องไปทํำอย่างอื่น ทำตัวเองให้หมดกิเลสแล้วก็แสดงแสดงปัญญา แ, แสดงพระธรรมอันให้ปัญญาออกมานะอันนี้แหละเขาก็จะนับถือพอใจเหมือนกับพระจันทร์เช่นกันนะส่วนคำว่าพรากกายพรากจิตพรากนี้หมายถึงว่าคร่ามาคือนำออกไปทั้งกายและทั้งจิตด้วยการไม่ทำความคุ้นเคย เยื่อใ่รักไข่ปรารถนาหรือพยายามกับใครๆด้วยว่าภิกษุใดแม้อยู่ในป่าแต่ว่าตรึกกามวิตกคิดถึงเรื่องที่อยากได้คิดถึงด้วยตัวโลภะหรือว่าพยาบาทวิตกคิดด้วยความไม่ชอบใจภิกษุนี้ชื่อว่าไม่พากทั้งกายทั้งจิตคือไม่ได้อยู่ในป่าใช่ไหมก็ชื่อว่าไม่พากกาย แล้วอยู่ในในวัดที่อยู่ในบ้านเนี่ยแล้วก็จิตก็ไปตรึกกามวิตกอย่างนี้ก็เลยเรียกว่าไม่ภาคทั้งกายทั้งจิตแต่ภิกษุได้อยู่ในป่าอันนี้เรียกว่าภาคพลาคกายแ ต, แต่ตรึกกามาวิตกพยาบาทวิตกหรืออาวกิเลสมาเกิดขึ้นในใจอันนี้ก็เรียกว่าพลาคแต่กายแต่ไม่พาคจิตภิกษุชื่อว่าภาคกายอย่างเดียวแต่ไม่พาคจิตนะท่านว่าอย่างนั้นส่วนภิกษุได้อยู่ในละแวกบ้านแต่ไม่นะตรึกกามวิตก ไม่มีเลยไม่คิดไม่มีกิเลสเกิดพิกษุนั้นชื่อว่าภาคจิตอย่างเดียวแต่ไม่พราคกายคือกายยังอยู่ส่วนภิกูจ์ใดอยู่ป่าและไม่ตรึกการวิตกภิกษุนั้นชื่อว่าภาคทั้งกายทั้งจิตพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเธอทั้งหลายจงภรากกายภาคจิตแล้วเข้าไปสู่สกุลอันนี้เป็ น, ปนข้อปฏิบัติว่าให้ให้อยู่ป่าให้ ทำกิเลสให้มันหมดไปให้กิเลสมันออกไปจากใจเราอะ่ะแล้วก็ให้ตัวเราไปอยู่ในถานที่ที่ไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะอันนี้เรียกว่าภาภากายนะก็หมดเวลาก็ขออุทิศบุญกุศลในการแสดงธรรมให้กับสมเด็จพระราชนินีที่ได้สวรรคตไปแล้วก็ขอให้บุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ฟังแล้วในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอให้พระธรรมนั้นจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านได้รู้ทั่วถึงธรรมปฏิบัติตามธรรมและภาคกายภาคจิตออกจากกิเลสทั้งปวงโดยพลันทุกท่านเทิญ